แกถึงเล่นเหลื่อมปิดบางด่านลับที่แกรู้นี่ไว้ทั้งๆ ท, ที่แกก็รู้ว่าพวกเรากำลังค้นหากันอยู่และเป็นปัญหาสำคัญที่สุดระหว่างการติดตามรอยไอ้แหวงถ้าผมบอกเสียแต่แรกในขณะที่ผมกับผู้กองตามมันมาคราวก่อนเสียงห้ากงวานนั้นเอ่ยขึ้นอย่างเช่มช้าชัดถ้อยชัดคำคณะของเราทั้งหกคนครั้งนั้นก็จะประจันหน้ากับไอ้แหวง เราจะยังไม่ได้ตัวมันแต่ที่แน่นอนที่สุดก็คือพวกเราหกคนจะต้องมีใครตายอีกอาจเป็นผมเองอาจเป็นผู้กองหรือนายทหารปืนใหญ่เซยเกิดหรือจันหรือพิชนันก็ทั้งหมดข้อนี้ผมก็ไม่ทราบแน่แต่ที่แน่ก็คือพวกเราต้องมีตายอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ผมรู้เช่นนี้ผมจึงไม่บอกผู้กองแกรู้ได้ยังไง เสียงของเขาเกือบเป็นตะวนันดารินก็ขัดมาเย็นๆว่าอย่าลืมสิคาระพินคุณสัญญากับแงซทายไว้แล้วว่าจะไม่โกรธเขาพลานใหญ่ฝืนหัวเราะพยายามบังคับเสียงให้เป็นปกติพยักหน้าเอาละตอบสิแกรู้เรื่องนี้ได้ยังไงว่าจะต้องมีพวกเราตายถ้าหากแกบอกทางด่านนี้และเราไปเชิญหน้ากับไอแ้แหวงในคราวนั้นฉันดักคอแกเสียก่อนก็ได้พระธุงในความฝันมาทนานายแกอีกสิ ประโยชครั้งและพินพูดเยอะเยาะทว่าแง่สายคงมีสีหน้าตายอยู่เช่นเดิมดวงตาเท่านั้นที่สว่างอยู่ในความมืดครับผู้กองเพราะทุดององค์นั้นเข้ามาบอกผมในความฝันอา้าวก็แล้วตอนที่เรามาครั้งหลังนี่แกดันมาบอกกับฉันถึงเรื่องด่านลับนี่ทําไมล่ะมันถึงเวลาที่ผมจะเปิดเผยด่านลับนี้แก่ผู้กองพอดีผมจึงบอก หมายความว่ายังไงชายยานซักมาแทนพระทูดงบอกผมไว้ว่าจะไม่มีพรานคนใดเลยที่ฆ่าไอ้แหวงได้นอกจากแง่าสายหันไปทางดารินกล่าวต่อมาว่าผู้หญิงคนหนึ่งเท่านั้นและผู้หญิงคนนั้นก็เป็นคนเดียวที่ร่วมอยู่ในคณะเดินทางของเราทั้งหมดนี่ชะตาของไอ้แหว่งจะถึงการแตกดับไปตามวาระด้วยน้ํามือของผู้หญิงคนนี้ นเนื่องมาจากบุพกรรมปางก่อนจะมีใครอื่นอีกในคณะของเราที่เป็นผู้หญิงนอกจากนายหญิงคนเดียวเท่านั้นการติดตามสังหารไอ้แหว่งถ้าปราศ จ, จากนายหญิงสี่คนเดียวแล้วจะไม่เกิดผลขึ้นเลยนอกจากความตายของพวกเราครั้งก่อนนายหญิงไม่ได้ไปด้วยอยู่ปางพักเพื่อพยาบาล น, นายใหญ่ถ้าเราประจันหน้าไอ้แหวงเราตายแต่มาครั้งนี้บังเ อ, อิญมีนายหญิงมาด้วย เหตุการณ์ตรงกันกับที่พระธุรงท่านบอกและนี่จึงเป็นเวลาที่ผมควรจะเปิดเผยเรื่องด่านลับให้แก่ผู้กองแล้วเหตุการณ์มันก็เป็นไปตามคาทานายของท่านทุกอย่างไอแหว่งตายด้วยน้ำมือของนายหญิงผูก้กองจะเชื่อผมหรือไม่ก็ตามแต่นี่คือสิ่งที่ผมได้มาจากความฝันทั้งสหันไปดูหน้ากันงันไปครูใหญด่ด้วยความรู้สึกอนันยากที่จะบอกได้ในที่สุดรพินก็แค่นยิ้มออกมา อืดูมันช่างเข้าเขาดีจริงนะไอ้เพื่อนยากแก่นี่มันช่างเก่งเสียจริงๆในการสรรสร้างนิยายเข้ามาประกอบเหตุการณ์ให้เหมาะเจาะเอาเถอะถ้าการบอกเล่าเรื่องนี้ของแกจะเป็นการกล่าวแก้ให้ฉันหายข้องใจหายโกรธแกในเรื่องที่แกเย็บปากไว้แกก็สบายใจได้ความจริงฉันก็ไม่ได้คิดจะเอาเรื่องอะไรกับแกอีกหรอกครั้งนี้ริ้วรอยกังวลฉายชัดขึ้นในดวงตาคู่นั้นใส่หน้าช้าๆ หาไม่ได้ผู้กองผมไม่ได้นำเรื่องนี้ขึ้นมาบอกเพื่อกล่าวแก้ความผิดอย่างที่ผู้กองเข้าใจมันมีอะไรมากกว่านั้นโปรดฟังผมอีกสักนิดก็ว่าไปสิผมพูดสิ่งนี้ขึ้นเพราะได้ยินว่าเราจะมาเอางาของไอ้แหว่งไปก็แกคิดว่าควรจะทิ้งเสียงั้นหรือชาวดวงผู้ลึกลับมองไปทางชายยันและดาลินอย่างเล่าร้อนกบวนกวาย แล้วเอ่ยขึ้นด้วยเสียงวิงวอนว่าได้โปรดเถิดครับโ่อดเชื่อผมอย่าแตะต้องกับงาของไอ้แหวงปล่อยมันให้นอนตายอย่างสงบไม่มีอะไรบรบกวนตรงที่ที่มันมาตายอยู่เราฆ่ามันได้แล้วนั่นเป็นสิ่งที่เราควรพอใจที่สุดมันจะลุกขึ้นมาไล่เหยียบหรือไล่แทงเรางั้นหรือถ้าเราเอางาของมันไปความหายนาวิบัติจะมาถึงพวกเราทั้งคณะไม่เร็วก็ช้า แต่ในระหว่างการเดินทางข้างหน้าของเรานี่แหละทุกสิ่งที่พัะธุดงค์ในฝันของผมทํานายไว้ตรงกับความจริงมาหมดแล้วถึงผู้กองหรือเจ้านายจะไม่เชื่อก็โปรดเห็นแก่ผมเล่าเว้นในสิ่งที่ผมขอร้องนี้สักครั้งเถิดทั้งสานิ่งอึ้งกันไปอีกครั้งกระแสะเสียงของแง่ทรายหนักแน่นจริงจังเปลี่ยนไปด้วยความวิงวอนชนิดไม่เคยปรากฏมาก่อนทําไมพระธุดงของแกบอกไว้ด้วยว่า ถ้าเราเอางามันไปพวกเราจะพบกับความวิบัติชายยันถามมาอย่างทึ่งๆครับเจ้านายได้โปรดเถอะบอกความจริงนี้ให้แก่นายใหญ่ทราบด้วยและช่วยกันขอร้องวิงวอนนายใหญ่ไว้อย่าให้คิดเอางาของไอ้แหวงไปเลยตลอดเวลามาแงายสายไม่เคยพูดไม่เคยขอร้องอะไรนอกจากจะรับใช้และปฏิบัติตามคําสั่งอย่างซื่อสัตย์สุดจริตประการเดียว แต่ในครั้งนี้แงซสายขอท้วงสักครั้งชายยันหันไปทางพรานใหญ่เอ่ยขึ้นต่ำๆน่าคิดนรพินน่าคิดมากทีเดียวสำหรับคำพูดของแงซสายอะไรอะไรเราก็เห็นชัดกันกับตาออกไปแล้วในวราระสุดท้ายจริงๆแม้จะตายไอ้แหวงก็ยังอุตส่าห์เข้ามาตายอยู่ในแรงอันมิชิตของมันเต็มไปด้วยสง่าและศักดิ์ศรียืนตายผิดไปกว่ามนุษย์หรือสัตว์ทั้งปวง ต่อเมื่อน้อยขอขมาและเอาโหาสิต่อซาของมันนั่นแหละซาของมันจึงหมอบสุดลงแม้ว่าเราจะไม่เชื่อความฝันของแง่ทรายเลยเราก็ควรจะยกให้แก่สองสิ่งโดยการละเว้นที่จะเอางา a ของมันเสีย2 ส, สิ่งที่ว่านี้ก็คือการขอร้องจากแง่ทรายซึ่งไม่เคยขอร้องอะไรจากเราเลยนอกจากการรับใช้ที่มีสมรรถภาพเยี่ยมส่วนอีกสิ่งหนึ่งก็คือให้เกียรติแก่ศัตรูของเราเองที่เป็นสัตว์เนื้อสัตว์ มันพ่ายแพ้แก่เราก็จริงแต่มันแพ้อย่างเต็มไปด้วยเกียรติแบบนักรบชั้นอัศวินทีเดียวเราควรให้การคารวะต่อความเป็นเลือดนักสู้ของมันบ้างตามสมควรงาของมันถึงเราจะได้ไปก็ไม่มีความหมายอะไรหรอกปล่อยให้มันติดคาซ่าเป็นอนุสรณ์สมศักดิ์พยาคุสารของมันอยู่ยังสุสารแห่งนี้เถิดดารินเอื้อมมือมาจับแขนแล้พินไว้กล่าวแผ่วๆมาอีกคน ชยันพูดถูกแล้วคารพินฉันเองก็กําลังคิดอย่างเขาเหมือนกันภายหลังจากนิ่งคิดอยู่เป็นครู่ใหญ่จอมพรานก็ยิ้มออกมานิดหนึ่งมองไปยั ง, งแง่ทรายซึ่งบัดนี้คงจ้องนิ่งมาที่เขาอย่างร้อนรุ่มเอ่ยขึ้นน้ําเสียงอ่อนลงว่างแง่ทรายแกคงจะรู้ดีอยู่ว่าฉันไม่มีอํานาจอะไรที่จะตัดสินชี้ขาดเกี่ยวกับทุกสิ่งทุกอย่างในคณะเดินทางของเรานี่ อำนาจนั้นอยู่ที่นายใหญ่แต่เอาเถอะเมื่อพบนายใหญ่ฉันจะเล่าสิ่งทั้งหมดที่แกบอกมารวมทั้งที่ได้พบเห็นกับตนเองให้ท่านทราบต่อจากนั้นก็ปล่อยให้เป็นข้อวินิจฉัยของท่านเองว่าจะเอาอยัางไงเดรินหันมายิ้มกับคนใช้ชาวดวงอย่างปลอบใจตบไหลเบาๆกระซิบว่าอย่าวิตกไปเลยแงซายฉันรับรองว่านายใหญ่จะต้องทําในสิ่งที่เธอขอร้องนี่แน่นอนภายหลังจากรู้เรื่องโดยตลอด จะไม่ให้ใครมาแต่ต้องซาคของพญาช้างตัวนี้ได้นอกจากจะปล่อยให้มันนอนสงบอยู่ในสุสานแห่งนี้ตราบจนชั่วนิรันด์แง่ทรายพึมพำอะไรอยู่ในลาคอตาเป็นประกายแจ่มใสขึ้นก่อนที่จะผลกออกมาจากเวิร์กถ้านั้นรับยินเดินเข้าไปหยุดยืนนิ่งอยู่หน้าซาคของกษตรสารแล้วยกมือขึ้นแตะปีกหมวกคาราว่าให้แก่ร่างอันปัสจากวิญญาณของมันทุกคนสงบนิ่งอยู่กับที่อีกอึดใจใหญ่ เรากับนัดกันไว้เหมือนจะเป็นการไว้อะไรต่อจากนั้นก็พากันขำทางย้อนกลับออกมาทิ้งซากและสุสานใต้คุณเขานั้นไว้เบื้องหลังบ่ายโมงเศษเล็กน้อยต่างก็มาถึงปากทางใต้ม่านน้ำตกที่เข้ามาเมื่อเช้านี้แววเสียงสะเทือนกระหึ่มกล้องคล้า ย, คายฟ้าร้องดังเข้ามาอย่างถนัดแสงสว่างของกลางวันที่สมควรจะส่องผ่านฉากน้าตกอันปิดบังอยู่เข้ามา กลับมือสรัวลงอย่างประหลาดแทบว่าจะสังเกตอะไรไม่เห็นมืดเสียยิ่งกว่าเมื่อตอนเช้าตู่ที่ผ่านเข้ามาเสียอีกเอรู้สึกว่าข้างนอกฝนจะตกนะชยันเอ่ยขึ้นพร้อมกับยกนาฬิกาขึ้นสังเกตเข็มพรางน้ําคงหนักด้วยไม่งั้นคงไม่มืดไปหมดอย่างนี้ดาลินพึมพำส่องไปฉายกาัดไปยังม่านน้าตกที่เป็นฉากบังอยู่แต่มองไม่เห็นอะไรนอกจากสายน้ำหนาทึบ ที่กระโจนลงมายังแองน้ำข้างล่างเสียงดังอยู่กึกกล้องอื้ออึงแล้วปีนสั่งให้เกิดลุยน้ำฝ่าม่านน้ำตกออกไปสำรวจดูราดเราก่อนเกิดวางปืนและสัมภาระที่ติดตัวลงเดินลุยน้ำตัวเปล่าหายออกไปอึดใจใหญ่ก็โผล่กลับเข้ามาร่างกายเปียกโชกหนาวสัน่นปีนขึ้นมายังบริเวณปากถ้ำที่ทุกคนกาลังรออยู่ทั้งฝนทั้งพายุทีเดียวครับมืดไปหมดทั้งปา ประหลาดก็เมื่อตอนที่เราโผล่ออกไปทางด้านหุบหมาหอนไม่เห็นวี่แววสักนิดว่าฝนจะตกชายันบนเจ้าป่าไว้อะไรให้แกไอ้แหว่งพรานใหญ่บอกพร้อมกับหัวเราะอย่างมีอารมณ์ขันทีเล่นทีจริงขืนโผล่ออกไปตอนนี้ก็ตากฝนกันแย่ข้างนอกไม่มีที่กำบังด้วยผมว่าเราหยุดพักรอให้ฝนหายอยู่ในนี้สะดวกกว่าถ้าฝนตกไปจนถึงเย็น ไม่ต้องติดกันอยู่ในนี้อีกคืนหนึ่งเลยดาเินเปิดขึ้นอย่างกระสับกระส่ายใจร้อนอยากจะกลับไปให้ถึงแคมป์โดยเร็วที่สุดเพราะการระยะทางถูกว่าเดินอยากมากก็ไม่เกินสีห้าชั่วโมงซึ่งถ้าไม่มีการหยุดเสียเวลาเลยก็ควรจะถึงแคมป์ก่อนค่าวันนี้ผมคิดว่ามันคงตกไม่นานหรอกครับรอดูอีกสักพักมันยังไม่หยุดค่อยหาลือกันใหม่คืนออกไปตอนนี้ก็ต้องเดินฝ่าฝานมุ่งกลับแคมป์เลยโดยหาที่หลบที่ไหนไม่ได้ เห็นเกิดบอกว่าทัง้งฝนทั้งพายุผ่านมานน้ำตกออกไปพวกเราก็ต้องเปียกกันอยู่แล้วไม่ใช่หรือหล่อนแย้งเบาๆครับเราต้องเปียกแน่แต่เปียกแค่สายน้ำตกก็ยังพอผัดเสื้อผ้าชุดใหม่ได้ในกรณีที่ฝนไม่ตกนี่เราไม่เปียกแค่นี้เท่านั้นจะต้องเปียกโชกหนาวสั่นไปตลอดทางเพราะสายฝนจนกว่าจะถึงแคมป์มันไม่สนุกนักหรอกดีไม่ดีเปียวดําจับตาย เป็นยังไงเปรี่ยวดำนิวมเนียหล่อนเงียบไปชายยันก็ตัดสินมาว่าพักรอฝนหยุดก่อนจะรีบร้อนไปไหนกันนะน้อยเสร็จศึกไอแหวงก็เย็นใจได้แล้วไม่เห็นมีอะไรต้องเร่งรีบมีที่หลบฝนอย่างสบายๆแล้วอยาจะออกไปให้เปียกอีกหรือตามใจฉันไม่ใช่อะไรหรอกใจไม่ร้อนอยากจะกลับไปให้ถึงแคมป์เสียวันนี้เท่านั้น ก็นึกว่าระยะทางเดินเพียง3ามสี่ชั่วโมงเราพอจะกลัมฝนกันไปได้แต่ถ้าไม่เห็นด้วยก็แล้วไปทั้งหมดถอยห่างจากบริเวณปากถ้ำ้าไปเล็กน้อยพอยผลจากระอองน้ำแล้วลงนั่งพักจันเอาใต้ขึ้นมาจุดสว่างโชนปักไว้ริมผนังเสยติดเตาฟู่ขึ้นต้มกาแฟในขณะที่เกิดกับแงซ า, ายช่วยกันเปิดอาหารกระป๋องตามคาสั่งของชา ย, ยานแจกจ่ายกันกินประทางความหิว นานๆครั้งจะได้ยินเสียงฟ้าผ่าแววผ่านเสียงมานน้ำตกเข้ามาพายุฝนเบื้องนอกคงจะรุนแรงไม่ใช่น้อยทีเดียวหวังว่าภูเขาทั้งลูกมันคงไม่ถล่มลงมาทับเรานะชายันเอ่ยอย่างอดสนุกไม่ได้ขณะที่เหลือขึ้นไปมองดูเพดานถ้ำก็ไม่แน่นักอย่าเห็นเป็นเรื่องเล่นไปดารินตอบมาเบาๆควักบร่ออกมาจุดสูบแววตามีกังวล เมื่อคราวไม่หิงสาตัวนั้นล้มจำไม่ได้หรือว่าฝนตกหนักอย่างนี้แล้วคืนนี้เราก็โดนน้ำป่าเล่นงานกืบตายมาคราวนี้ไอ้แหว่งล้มฝนก็เทเป็นฟ้ารั่วลงมาอีกมันจะเกิดอะไรขึ้นอีกก็ไม่รู้ใจมันชักไม่ค่อยจะดีเลยเหลวไหลน่าน้อยคราวนั้นเป็นเรื่องบังเอิญต่างหากเราดันไปพักนอนกันริมทางน้าพอดีเสียแรงเป็นมือพิชิตไอ้แหวงไม่น่าจะขวัญอ่อนขึ้นมาแบบนี้ นักมนุษย์วิทยาศาสตร์ถอนใจเบาๆใบหน้าสลดตรงฉันยอมรับว่าประสานองฉันมันไม่มั่นคงอย่างไรพี่กนตอนที่ตามล่ามันก็เข้มแข็งดีอยู่หรอกแต่พอพบซาของมันยืนตายอยู่เช่นนั้นใจหายยังไงบอกไม่ถูกรู้สึกไม่สบายใจเลยความจริงไอ้แหวง่งไม่น่าจะมาตายด้วยมือของฉันมันควรจะตายด้วยมือของคนอื่นซิ่งฉันคงจะสบายใจกว่านี้มากรักจะเป็นนักล่าที่ดี ต้องฝึกประสาทให้มันคงเสมอต้นเสมอปลายเสียงพผานใหญ่บอกมาด้วยน้ำเสียงปลุกปลอบสัตว์ใหญ่ที่ดุร้ายมีอิทธิพลอยู่ในตัวของมันเองเสมอแม้ว่ามันจะตายไปแล้วแต่นี่แปลว่าตบะของมันกำลังจะมีอำนาจอยู่เหนือกำลังใจของคุณหญิงพรานหน้าใหม่ที่ใจอ่อนทุกคนมักจะเป็นเช่นนี้มันไม่มีอะไรมากไปกว่าอาการหลอนของประสาทคิดเสียอย่างเดียวว่าคุณหญิงจำเป็นต้องฆ่ามัน แล้วก็อย่าไปนึกกังวลอะไรอีกเท่านั้นคุณหญิงก็สบายใจได้นี่ก็พิสูจน์ออกไปได้ชัดแล้วว่าต่อให้ไอ้แหวงเก่งกาศสักเพียงไหนมันก็ทานลูกเปรนไปไม่ได้ดาดินฝืนยิ้มมองไปทางผู้พูดด้วยความรู้สึกที่อบอุ่นขึ้นคิดอยู่ในใจว่าชายผู้นี้เป็นครูฝึกเป็นพี่เลี้ยงรวมทั้งหลักประกันอันมั่นคงสาหรับรอนในชีวิตกลางป่ามาตลอดอย่างพิสูง์อยู่จนเดี๋ยวนี้ว่า ถ้าปราศจากเขาผู้นี้เสียแล้วหล่อนจะตกอยู่ในฐานะเป็นไรครั้นแล้วชั่ววูบหนึ่งหล่อนก็บอกกับตนเองว่าไม่มีอะไรที่หล่อนจะต้องสะทกสะทานอีกแล้วในอนณาจักรพงไพรตราบใดก็ตามที่มีคนชื่อระพินไพยวันผู้นี้อยู่เคียงข้างชจนกระทั่งเดี๋ยวนี้ฉันยังไม่อยากเชื่อเลยว่าลูกปืนที่ฉันหลับตา ย, ยิงส่งเดชด้วยความตกใจนัด น, นั้นจะเป็นนัดที่ปิดชีวิตมัน ทางที่หัวกระสุนก็เล็กนิดเดียวปาฏิหารแท้ๆผมบอกมาหลายครั้งแล้วว่าลูกปืนเล็กใหญ่ไม่สำคัญเท่ากับตำแหน่งเป้าหมายที่กระสุนเจาะเข้าไปมีรอยแผลจากปืนขนาดจุด4 5หนัดหนึ่งทะลุตโพกด้านซ้ายของมันเป็นแผลใหญ่มากแต่ไม่ถูกกระดูกและอวัยวะภายในไอ้แหว่งไม่สะเทือนเลยเดินออกตัวปลิวแต่จุด30แม็กนัมลูกเล็กๆของคุณหญิงนัดนั้นร้อยพวงมัน ทำลายระบบเครื่องในพินาตไปถึงแม้จะลาดหนีมาได้ในครั้งแรกมันก็มาพบกับวาระสุดท้ายจนได้อย่างที่เห็นอยู่แล้วชะตาของไอ้แหวงต้องมาดับกับมือของคุณหญิงอาจเป็นอย่างแงซ า, ายว่าก็ได้เป็นยังไงคราวนี้เห็นลิศเจ้าเอเธอร์บีกระบอกนี้ของฉันแล้วยังละ่ะไม่อยากถือบ้างละจะฟาดกับต้นไม้หักทิ้งบ้างละถ้าไม่ใช่จุด300แม็กนัมกระบอกนี้ไอ้แหวงก็ยังไม่ตาย เพื่อนชายได้ทีว่าหม่อมราชวงศ์สาวยิ้มจืดจืดรูปคำไรเฟิลกระบอกที่ประจำมืออยู่เอาละกลับไปถึงแคมป์จะตั้งบูชาติดทองให้เลยปืนเธอกระบอกนี้เช่ถาและพวกเราทุกคนที่แคมป์คงจะดีใจมากถ้ารู้ข่าวเข้ า, ขาคงไม่นึกได้ซ้ำว่าพวกเราจะได้ตัวมันรวดเร็วถึงอย่างนี้ในการออกตามครั้งสุดท้ายเฮอลงอกไปทีไอแหว่งตัวเดียวที่เอาพวกเรายแย่ แผนการต่างๆคลาดเคลื่อนเสียหมดเกิดยิ้มน้อยยิ้มใหญ่พูดมาอย่างกระิมกระเลียว่าเจ้านายอย่าลืมเลี้ยงฉลองให้เมรโหรานนะครับเวลาเรากลับไปถึงแคมป์ชายันหัวเราะลั่นตบปลายเด็กหนุ่มพรานพื้นเมืองของรพินรับรองตะเกิดพวกแกเป็นได้เมากริ้งกันหมดทุกคนแหละฉลองกันให้สนันป่าเลยเจ้าป่าเองก็คงจะคลืคลื้นไปด้วยเพราะรับบนไว้แยะ หวังว่าไอ้แหว่งคงไม่มีน้องชายหรือพี่ชายโผล่ขึ้นมาทำศึกแก้แค้นกับเราอีกนะดารินพูดปนหัวรองเกร่อยๆท่าทางของหล่อนแทนที่จะร่าเริงภาคภูมิใจในโชคชยัยและฝีมือของตนที่พิชิตไอ้แหว่งลงได้กับเงียบขึมเศร้าซึมพรานใหญ่รอบสังเกตอ ย, อยู่เงียบๆเบขารู้ว่าหล่อนไม่เจ็ดแข็งอะไรนักถึงอย่างไรผู้หญิงก็คือผู้หญิงนั่นเอง ขอสัมภาษณ์ในพรานสาวผู้ยิ่งใหญ่หน่อยเถอะเล่าให้ฟังละเอียดหน่อยสิเธอยิงแหว่งได้ยังไงตอนนั้นชยันถามยิ้มยิ้มในการสนทนาค่าเวลาตอนหนึ่งระหว่างนั่งรอฝนก็อย่างที่บอกแล้วหล่อนตอบเนื่อยมันวิ่งผ่านหน้าฉันตรงเข้าแทงพรานใหญ่สีข้างของมันห่างจากฉันเพียงสองสัมวาทเท่านั้นฉันหันปืนตรงเหนี่ยวไกออกไปอย่างตะลีตะเหลือกยังไม่ทันประทับด้วยซ้ํา มันร้องร่างแล้วก็วิ่งตะลุยมาข้างหน้าอย่างเร็วทีเดียวเข้าไปดูก็เห็นเลือดทะลักกองอยู่เป็นหย่อมหย่อมฉันวิ่งตามหลังมันไปสองสาก้าวจะยิงซ้ําแต่กระสุนหมดชุดพอดีกว่าจะบรรจุใหม่มันก็หายไปแล้วรู้ว่านัดที่ยิงเป็นนั้นถูกแน่แต่ไม่คิดว่าจะทําให้มันถึงตายอย่างดีก็นึกว่าทะลุผ่านช่องท้องไปเท่านั้นตอนที่ตามรอยเลือดแง่ท า, ายเข้ามากระซิบบอกฉันว่าไอแ้แหวงอยู่แน่ฉันยังไม่เชื่อ แปลว่าฟุกจริงๆหรือนัดนั้นใช่ฟุกอย่างที่สุดเพราะไม่ได้เลงเลยเหนี่ยวกครออกไปส่งเดทด้วยสัญชาตญาณเท่านั้นแล้วก็ไม่คาดฝันด้วยว่ามันจะได้ผลถึงเพียงนี้ตอนนั้นเธอก็ยังต่อว่าเช่นว่าถ้าฉันยิงให้ปา น, นี่สักหน่อยไอ้แหว่งก็ควรจะกองอยู่กับที่แล้วอืมจริงสินะนี่ก็เป็นความจริงว่าเธอฆ่ามันด้วยกระสุนนัดนั้นโดยไม่รู้ตัวเลย เราไม่มีโอกาสจะเห็นตัวมันก่อนหน้านี้เลยครับคุณชายยันแล้วพีนบอกมาอีกคนหนึ่งตอบเสียงเรียบๆอันเป็นปกติของเขาพอเห็นมันก็ถึงตัวเสียแล้วจังหวะที่จะยิงแทบไม่มีเหลืออยู่เลยโชคดีที่สุดแล้วที่มันจู่เข้าเล่นงานผมเปิดโอกาสให้คุณหญิงยิงเอาได้มันคงคำนวณได้ ว, ว่าในระหว่างผมกับคุณหญิงมันควรจะต้องฆ่าผมก่อนคงคิดไปไม่ถึงว่ามนุษย์ผู้หญิงตัวเล็กๆที่มันมองข้ามไปเสียก่อนนั้น ที่แท้คือมัจจุราชสำหรับมันแล้วเขาก็หัวเราะออกมาเบาๆมองไปยังนักมนุษยวิทยาสาวด้วยสายตาไม่วายสนเท่แต่ผมก็สังเกตมาหลายครั้งแล้วรู้สึกว่าคุณหญิงจะมีลักษณะพิเศษอะไรประจำตัวอยู่สักอย่างหนึ่งโดยที่ตนเองก็คงไม่รู้ตัวนั่นคือดวงในการทำบาปขึ้นดีเหลือเกินสัตว์มักจะบังเอิญมาเข้าทางปืนให้เสมอและยิงออกไปแล้วเป็นได้ตัวทุกที ไม่ว่าจะตั้งใจหรือไม่ก็ตามดวงแบบนี้ถ้าคิดจะเป็นพรานอาชีพกันแล้วก็เป็นได้อย่างสบายเท่าที่เราตามสัตว์ร้ายมาแล้วทั้งสองชนิดไม่ว่าจะเป็นแม่หิงสาหรือไอ้แหวงพวกเราหลายคนมันไม่ยอมเข้าทางปืนของใครถนัดเลยแต่กลับไปยอมเป็นเป้าให้คุณหญิงเสร็จไปทั้งสองตัวเรื่องนี้มันเป็นเรื่องแปลกที่ไม่เกี่ยวกับการยิงปืนแม่นหรือไม่หรอกครับแต่เป็นคุณลักษณะประจาตัวของแต่และบุคคลออกไป ทีนี้เมื่อมาประกอบกับฝีมือยิงปืนที่แม่นยาเป็นทุนเดิมอยู่ก่อนแล้วของคุณจิงก็ยิ่งศักดิ์สิทธิ์ขึ้นอีกจริงอย่างผมนี้สัตว์มันไม่ค่อยจะเข้าทางปืนให้เลยชายยันยอมรับอย่างเห็นด้วยเป็นอันว่าวันนี้เราหลงตามกันเสียแทบแย่โดยหารู้ไม่ว่าที่แท้ไอ้แหว่งตายเสียแล้วตั้งแต่เมื่อคืนนี้ดีที่คุณอ่านเหตุการณ์ถูกย้อนกลับ้ามาตามจนพบซ่าของมันถ้าไม่พบละยุ่งทีเดียว เราก็เข้าใจกันอยู่นี่เองว่ามันคงยังมีชีวิตยอยู่แล้วก็ไม่ต้องคิดทำอะไรต่อไปแล้วนอกจากคอยตามมันเกอ้ออยู่นี่เองเสียเวลาตายเลยรู้สึกเป็นยังไงบ้างครับตอนที่โผล่พรวดพลาดเข้าไปพบมันยืนต่างงานอยู่ริมทางที่พวกเราผ่านเข้าไปแล้วผิดถามพร้อมกับหัวเราะอดีตนายทหารปืนใหญ่กระเดือกน้ําลายลงคอจุ ป, ปากเบาๆโครงศีรษะเจ้าประคุณเ อ, อ๋ยอย่าให้บอกเลย ผมบรรยายความรู้สึกตอนนั้นไม่ถูกหรอกก็คิดอย่างเดียวว่าพวกเราต้องตายหมดแน่แล้วมันจู่โจมกระทันหันหรือเกินนี่แต่คุณก็ใจเย็นสติดีเหลือเกินนะยังอุตส่าห์พิจารณาดูจนรู้แน่ว่ามันตายเสียแล้วโดยไม่จําเป็นต้องยิงให้เปลืองกระสุนไม่ใช่ใจเย็นหรือสติดีอะไรหรอกครับพ่านใหญ่สารภาพผมเองก็ตัวแข็งไปหมดเหมือนกันนิ้วกระดิกไกไม่ออก จังหวะนั้นถ้าไอแหวงยังไม่ตายและดักคอยเราอยู่แล้วก็ผมยิงไม่ทันเด็ดขาดพอได้สติขึ้นมาอีกครั้งก็พอสั ง, สงเกตเห็นว่ามันตายเสียแล้วพวกเราเองจึงเหมือนกับตายแล้วเกิดใหม่ว่าแต่ไอพวกลูกโ ข, ง ข, ง, ขงของมันเถอะรู้สึกว่ายังเหลืออยู่อีกหลายตัวไม่ใช่หรือพญาของมันตายแล้วแบบนี้พวกนั้นก็เห็นจะไม่มีฤทธิ์มีเดชอะไรหรอกครับ ความร้ายกาจต่างๆของช้างโขงนี้มันเกิดขึ้นเพราะอิทธิพลไอแหวงตัวเดียวเท่านั้นหมดมันเสียบริวารมันเหล่านั้นก็กลายเป็นช้างป่าธรรมดาไปและจะต้องเข็ดไม่กล้าหลังควานมนุษย์อีกแล้ว 1. ชั่วโมงผ่านไปเสียงฟ้าที่กำลนกล้องอยู่ตลอดเวลาเบื้องนอกเงียบหายสนิทไปแล้วและบริเวณปากทางอันมีฉากน้ำตกกั้นอยู่ก็พอมีแดดของยามบ่ายสองรอดเข้ามาเกิดรุยน้ำออกไปสำรวจดูราดลาวอีกครั้ง แล้วก็โผล่กลับเข้ามาบอกว่าฝนเบื้องนอกขาดหายไปหมดแล้วแล้วผินสั่งเก็บของเตรียมตัวออกเดินทางต่อจากนั้นอีกครู่เดียวทั้งหมดก็ลุยน้ำฝ่ามา่านน้ำตกออกมายังบริเวณเบื้องนอกซึ่งบัดนี้ท้องฟ้าเริ่มจะโปรง่งใสเหลือแต่เพียงระอองบางๆอยู่ทั่วไปเราจะถึงแคมป์ประมาณ6โมงเย็นนี้เขาบอกกับนายจ้างทั้งสองแล้วออกนาบ่ายหน้าตัดป่าอันกาลังเปียกชุ่มมุ่งกลับค่ายพัก ขบวนพิชิตไอแหว่งกลับคืนค่ายพักใหญ่บนยอดเนินในเวลาโพ ร, รเพเข้าใต้ข้าไฟพวกลูกหาบที่กำลังก่อไฟหุงหากันอยู่เต็มไปด้วยความประหลาดใจทันทีที่ได้ยินเสียงกู่สัญญาณเรียกให้รู้เข้ามาร่วงหน้าป้องกันการเข้าใจผิดพากันวิ่งพรูออกไปยังริมทางปากนานและส่งเสียงทักทายสอบถามลั่นก่อนที่ฝ่ายเพิ่งกลับมายังไม่ทันจะตายทางขึ้นมาถึง เชษฐากำลังนอนสูบกล้องอ่านหนังสืออยู่ในกระโจมขมวดคิ้วเพราะได้ยินเสียงเอะเกลียวกาวเบื้องนอกพองกตัวขึ้นมาจากเก้าอีพา้พ้าใบมองหน้าบุญคําผู้ ก, กําลังสูบปลมตะเกียงเจ้าพายุอยู่เอ๊ะพวกข้างนอกตื่นเต้นอะไรยังไม่ทันจะขาดเสียงของเขาก็ได้ยินเสียงโห่ร้องแสดงความปิติยินดีของพวกลูกหาบอึ่งคันึงไปหมดบุญคําเพ่นพรวดไปที่ประตูเต็นแล้วร้องลั่นออกมานายครับ พลานใหญ่กับพวกเราทุกคนกลับกันมาแล้วคงได้ตัวไอ้แหวงแน่เสียงพวกลูกหาโผร้องดีใจใหญ่อดีตทูตทหารบกเชื้อผงแทบจะลืมบาดแผลที่ขาของเขาผุดทุกขึ้นโดยเร็วขวาไม้ยานเดินขยเยกออกมาบุญคำก๊าดเข้ามาประคองเมื่อโผลพ้นประตูเต็น์มองเห็นคณะได้ไแหวงทั้งเจ็ดคนกำลังเดินตรงเข้ามาห้อมร้อมมุงหน้ามุงหลังด้วยพวกลูกหาชัยยันเดินนาหน้าเคียงคู่มากับดาริน ส่วนพานใหญ่ตามมาล้างท้ายเชิดาตะโกนถามออกไปเต็มเสียงด้วยความตื่นเต้นระคนร้อนใจหมดห่วงได้แล้วเรียบร้อยทุกอย่างชายยันร้องบอกมาปนหัวเราะร่าก่อนที่จะถึงตัวหัวหน้าคณะหน้าแดงเรือบีบแขนบุญคำแน่น พ, พึมพำออกมาด้วยเสียงอันละงับความปิติไว้ไม่ได้พานใหญ่ของนายไม่เคยทาให้ฉันผิดหวังเลยสักครั้งบุญคา ผู้ที่เข้ามาถึงตัวเชษฐาคนแรกคือนักมนุษยวิทยาผู้เป็นน้องสาวโผก็เขกอดพี่ชายไว้แน่นใบหน้าแช่มชื่นสดใสก่อนอื่นใดทั้งสิ้นหลอนสำรวจดูอาการยืนทรงตัวของเชษฐาซึ่งเห็นได้ชัดว่าบาดแผลทีุ่ราลงเป็นลำดับสุขภาพสดชื่นแข็งแรงขึ้นยิ่งทําให้ร่อนยินดีชายยันเข้ามาโอบกอดเขาไว้อีกคนหนึ่งและจะพูดเช่นไรบ้างเชษฐาไม่ได้ยินเพราะมัวแต่ตื่นตระหนกในข่าวดีนั้นอยู่ สายตาของเขากลาดสำรวจไปยังทุกคนแล้วมาหยุดนิ่งอยู่ที่รพินผู้ก้าวเข้ามาถึงคนสุดท้ายระพินหวังว่าผมคงไม่ได้ฝันไปนะงานร่าตัวไอแหวงของพวกเราสำเร็จลงแล้วใช่ไหมพรานใหญ่ยิ้มอย่างสารวมตามลักษณะเดิมของเขาก้มศรีศรษะลงครับคุณชายเราล้มมันได้สำเร็จแล้วเป็นความจรงิงขึ้นชั่วโมงหลังจากนั้น เชษฐาก็ได้รับทราบเหตุการณ์ในระหว่างการติดตามล่าพญากคจัสารร้ายโดยละเอียดที่สุดเชื้อพวงหนุ่มใหญ่หัวหน้าคณะงงงันไปเมื่อทราบว่าไอแ้แหวงสิ้นชีพดาวดิ้นลงด้วยน้ำมือของนังน้องสาวเขาเองซึ่งเป็นสิ่งเกินความคาดฝันมาก่อนอย่างไรก็ตามเขาไม่แสดงอาการตื่นเต้นอะไรนักนอกจากยิ้มน้อยๆหันไปมองดูดาลินด้วยสายตาพิศวงแล้วว่า ไอ้แหวงมีกรรมกับน้อยมาก่อนแน่ๆถึงได้มาเลือกตายด้วยลูกปืนของน้อยอย่างไรก็ตามพี่ขอแสดงความยินดีกับน้อยด้วยในโชคชัยครั้งนี้น้อยทำได้สมกับที่ตั้งใจไว้ทุกอย่างสำหรับเรื่องเราของไอ้แหวงที่ตัวมันเองเลือกเข้าไปหลบตายอยู่ในถ้มใต้ภูเขาหลังจากชายยันกับน้องสาวช่วยกันเล่าให้ฟังว่าแง่ท า, ายได้พูดขอร้องว่วเช่นไรเชษฐางเงียบไป ผู้ใหญ่อย่างใครควรลึกซึ้งแล้วพยักหน้าเรียกแง่ทรายเข้ามาเป็นความจริงหรือแง่ทรา ย, ายจริงครับนายใหญ่แง่ทรายไม่โกโหกกระเรียงล่างยักษ์ตอบเห่าๆดารินช่วยพูดขอร้องมาพร้อมทั้งยกเหตุผลขึ้นประกอบเพื่อให้พี่ชายยอมปฏิบัติตามคำขอร้องของคนใช้ชาวดงเชื่อถามองไปทางชายยานเหมือนจะยั่งความเห็นสหายรักของเขาก็บอกมาตําๆว่า มันน่าคิดไม่ใช่น้อยเหมือนกันแหละในข้อนี้ถ้าจะพิจารณาดูตามถ้อยคำของแง่ายและพฤติการที่เกิดขึ้นแล้วทั้งหมดเชษฐายกมือขึ้นรูปปลายคางส่งสายตาไปทางพรานใหญ่ผู้นั่งสงบอยู่ถามความเห็นเป็นคนสุดท้ายคุณคิดว่ายังไงรเรพินพรานใหญ่ยิ้มนิดหนึ่งตอบเสียงเรียบว่าผมไม่มีความคิดอะไรทั้งสิ้นในเรื่องนี้ครับทุกสิ่งทุกอย่าง ขึ้นอยู่กับคุณชายเท่านั้นอดีตทูตทหารบกหันไปจ้องแง่ายอีกครั้งและยิ้มให้ดวงตาอันชายจราดรอบข้อของเขาเป็นประกายแกเป็นคนพูดน้อยแง่ายฉะนั้นเมื่อแกพูดออกมาฉันจึงคิดว่าควรรับฟังแกไว้บ้างอีกประการหนึ่งเท่าที่ร่วมทางกันมาแกก็พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าแกมีคุณแกค่าแกคณะของเรามีความดีไว้กับฉันเป็นส่วนตัว เอาละเป็นอันว่าฉันยินยอมให้เป็นไปตามคําขอร้องของแกเราจะไม่ไปแตะต้องกับซาของไอ้แหวงอีกเลยแสงแห่งความปิติปาาโมดผ่านแว บ, บไปในดวงตาใหญ่งามคู่นั้นเสียงห้ากวงวานดังตอบมาว่านายใหญ่เป็นผู้ที่ควรแก่การเคารพยิ่งแล้วร่างแต่งานนั้นก็ก้มลงโค้งคํานับพ่างถอยห่างออกไปปัญหามันมีอยู่อย่างเดียวเท่านั้น ชายันเอ่ยขึ้นอย่างกังวลชาวป่าในละแวกนี้ทั้งหมดกำลังรอฟังข่าวการติดตามไล่แหว่งของคณะเราอยู่อย่างเอาใจช่วยทุกคนต้องการกำจัดมันต้องการรู้ให้แน่ชัดออกไปว่ามันตายแล้วพวกเขาจะได้โล่งใจนอนตาหลับเดี๋ยวนี้เราปรากมันอยู่มือแล้วก็จริงแต่จะเอาอะไรไปแสดงหลักฐานให้พวกนั้นเชื่อได้อาจหาว่าเราหลอกให้ก็ได้ข้อนั้นไม่สาคัญหรอก หม่อมราชวงศ์สาวคนสวยรีบขัดขึ้นโดยเร็วมองไปทางพรานใหญ่พวกชาวป่าทุกคนเคารพนับถือศรัทธาและเชื่อฟังพรานใหญ่อยู่แล้วถ้าเขาบอกพวกนั้นเพียงคำเดียวว่าไอ้แหว่งตายแล้วทำไมพวกนั้นจะไม่เชื่ออีกอย่างหนึ่งความจริงมันก็หนีความจริงไปไม่พ้นต่อไปนี้จะไม่มีโคลงของไอ้แหว่งไปสมแดงอิทธิฤทธ์รังควานพวกบ้านป่าอีกแล้วอย่างนั้นใช่ไหมผู้กองประโยคหลังหล่อนถามเขาพร้อมกับรอยยิ้ม แล้เพียเหลือบตาขึ้นก็เห็นดวงตางามเป็นประกายพราวใสจับมาก่อนแล้วเขาหัวเราะต่ำๆก้มศรีรษะให้ร่อนนิดหนึ่งผมไม่ทราบว่าพวกบ้านป่าเหล่านี้จะเคารพนับถือศรัทธาหรือว่าเชื่อฟังผมสักขนาดไหนแต่เหตุผลอีกข้อหนึ่งที่คุณหญิงว่าดูจะศักดิ์สิทธิ์กว่านั่นคือความจริงที่หนีความจริงไปไม่พ้นไอ้แหวงมันตายไปจริงๆแล้วมันไม่ไปสร้างความเดือดร้อนให้ใครอีก นับนพฤติการของมันก็จะเงียบหายไปเหมือนคลื่นกระทบฟังพวกเขารู้กันเองว่ามันได้ตายแล้วจริงๆคำตอบอันถ่อมตนและละมัดระวังตัวแบบเป็นทางการเช่นนั้นของเขาทำให้เห็นค้อนนิดๆมาจากดวงตาคู่นั้นเป็นค้อนที่ทำให้คนทุกถูกค้อนสุขใจอยู่เงียบๆ